วันนี้เป็นวันที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์เป็นวันอธิษฐานพรรษาวัดป่านาคำน้อยของพวกเราถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปถึงหโมงเย็นก็พระก็คงจำพรรษาทั้งหมด42รูปไม่มีสมมเนนปีนี้ มีแต่พระทั้งหมด42รูปที่จะจำพรรษาเพราะนั้นคณะสัทธาญาติโยมผู้ที่จะมาใส่บาตรในพรรษาก็คงจะใส่บาตรหน้าวัดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อเช้านี้แต่ว่าการใส่บาตรไม่ใช่ว่าเราจะใส่ให้ครบทุกองค์ถ้าเรามีศรัทธาขนาดไหนเราก็เตรียมมาขนาดนั้น แล้วก็เราจะใส่ยังไงก็จะใส่ให้ทั่วถึงนั่นแหละใส่ทั้งหางก็ได้ใส่ทั้งหัวก็ได้ใส่ทั้งตรงกลางก็ได้กระสุดแท้แต่พวกเราจะใส่เพราะถึงยังไงยังไงอาหารในครัวของพวกเราอาหารครัวน ะ, ะคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับพระสงฆ์แต่ถ้าว่าผู้ใดศรัทธาญาติโยมไม่ได้มาใส่บาตร จะเตรียมอาหารพวกข้าวสารอาหารแห้งมาเตรียมไว้ในครัวก็ได้เนี่ยเพราะว่าครัวเขาก็ทําถวายพระอยู่แล้วแต่ถ้าว่าพวกเราได้มาใสา่ใส่บาตรตอนเช้าเอราเขามาตักบาตรอย่างมื้อเช้านี่แหละแต่ว่าไม่ต้องหนักใจคณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคนไม่ต้องหนักใจถ้าใส่บาตรไม่ครบจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดนะแต่หลวงพ่อนี่เป็นหัวหน้าอืม เดินนําหน้าเนี่ยถึงยังไงยังไงก็มีคนใส่บาตอยู่แล้วข อ, ขอให้คณะัาธาญาติโยมมององค์หลังๆพวกที่มาเก่านะพวกคณะัาธาญาติโยมเก่านะให้มองแถวแถวหลังแถวหลวงพ่อนะไม่ต้องห่วงหรอกพอเป็นไปได้ไม่ใช่พอเป็นไปได้นะ่ะเหลือเฟือนะหัวหน้านะแต่หลวงพ่อก็เป็นห่วงพวกพระที่ยืนแถวหลังแต่ที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหา เพราะอาหารทางครัวของเราก็มีพร้อมอยู่แล้วที่จะใส่บาทตักบาทรได้พูดได้ํำชับกันไว้อยู่เพราะนั้นเรื่องอาหารในวัดของเราที่หลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ถึงยังไงถ้าจะว่าไปอาจจะฟุ่มเฟือยเหลือเฟื อ, อไปนู่นแหละแต่ถึงยังไงก็พระสงฆ์ที่ เข้ามาปฏิบัติมาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยถึงจะมีมากก็ไม่ลืมตัวไม่ใช่โลภโลเลในอาหารพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนไว้ว่าอภิชตาเป็นผู้มักน้อยถึงจะมีมากก็รู้จักพิธีในการฉันฉันอะไรอาหารที่ไม่มีพิษมีไภัยไม่เป็นพิษเป็นภัยสำหรับธาตุขันของตนเอง แต่นี้ถ้าว่าถามว่าเอาทําไมถ้าอาหารจึงเป็นพิษมีพิ ษ, ม, พษมีภัยคือในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ระดับพระเถระผู้ใหญ่อย่างองหลวงตานี่ท่านกําชับสําหรับพระน้อยพระหนุ่มควรจะฉันอาหารประเภทไหนที่ไม่ทับร่างกายเออคือว่าร่างกายของเรา เ, เหมาะสมกับอาหารอย่างไรอันนี้ก็ ท่านก็เคยแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาหารหลวงพ่อเองไม่ได้หนักใจสำหรับพระถึงจะมี40รูปก็เถอะก็เป็นไปได้เพราะหลวงพ่อเคยยากจนมาก่อนบางทีไปอยู่ป่าหรวงพงภัยมีแต่ข้าวเปล่าก็เคยฉันมาแล้วเพราะนั้นลูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยจะยากจนบ้างจะเป็นไรไปเพราะหลวงพ่อเคยพายากจนไม่ใช่จะ ภาผูุ่มเฟยเหลือเฟือมาตลอดไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับหลวงปูล่ลมากันดานขนาดไหนสมัยก่อนเพราะนั้นหลวงพ่อผ่านทุกผ่านยากผ่านความละบากมามากเพราะนั้นถูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยสอนไม่ใช่สอนให้ฟุ่มเฟยสอนให้เหลือเฟือถึงจะมีมากก็ให้อภิชาตาคือมักน้อยอสันตุถีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นมีอะไรก็ฉันอย่างนั้น นี่แะแต่วันนี้ที่พวกเราใส่บาตรเป็นเพียงสตาร์สตาร์เครื่องนะยังไม่ใช่ทุดงยังไม่ถือธุดงเพราะยังไม่ได้เข้าพรรษาแต่วันพุ่งนี่แหะเอาจริงจังแล้วทนีผู้ที่จะมาใส่บาตรก็ใส่บาตรหน้าวัดนะมีธุดเป็นธุดงเป็นทุดงขวัตข้อหนึ่งในเตรษสะธุดงส3ามีอยู่13ข้อนะชันในบาตร ฉันหนเดียวเป็นวัดคือมีมีอาหารมาจะฉันมือเดียวฉันมือเดียวเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดแต่ว่าที่ข้อหนึ่งใน13ข้อนั้นไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคือไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังก็คือพอรับหน้าวัดเสร็จแล้วก็ไม่รับอาหารอีก เรขอให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนไ ด, ได้รับทราบคือพระในวัดของเราหรือว่าพระวัดป่าบ้านตาดที่ลุงพ่อเคยศึกษากับองค์ท่านนะหลวงตาท่านก็ให้ใส่บาทเจ็แล้วก็คือจบแต่วัดอื่นๆทำไมไม่มีทำไมไม่เป็นอันนั้นคือวัดอื่นพวกเราจะเอามาเปรียบเทียบกันแต่ละวัดแต่ละกฎแต่ละกติกาสุดแท้แต่วัดไหนท่านจะปฏิบัติอย่างไรแต่สาหรับองค์หลวงตาท่านไปรับอาหาร ที่ตามส่งเข้ามาภายหลังหลวงพ่อก็ยึดแนวแถวองค์หลวงตาเพราะหลวงพ่อเนี่เคยอยู่องค์หลวงตาเป็นระยะเวลายาวนานนะถึง10กว่าปีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ถึงในพรรษามาหลวงพ่อก็นี่ยนะยึดแนวแถวขององค์หลวงตาพาดําเนินคือไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังคือรับที่หน้าวัดไซบาสเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหะแต่เราคิดว่ามันจะน้อยก็ยิ่งมากอีก เอที่มันจะน้อยก็ยิ่งมากอีกแต่ถึงยังไงมากหรือน้อยก็เป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นผู้กำหนดไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นผู้ขอร้องเป็นศรัทธาของศรัทธาญาติโยมเราจะห้ามหรือเราจะขอร้องก็เป็นหน้าที่ของพวกศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ถวายมีมากกระเหตพระที่อยู่ข้างในให้รู้จักประมาณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าอภิชตาเป็นผู้มักน้อยสันทุกถี ให้ฉันโดดตามีตามเกิดถึงอภิชาตาในี่ค่ายๆว่าถึงจะมีมากก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าโลภโลเลในอาหารให้ฉันให้เพียงพอสำหรับาธาตุขันร่างกายานเองถึงจะอาหารติดดีขนาดไหนอาหารมากขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนถึงจะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงไปก็เลี้ยงไปเถอะกินอาหารได้ดีทกคา อาหารราคาแพงทุกคําก็เถอะแต่ชีวิตนี้ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนร่างกายของคนเราไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้านะพอสามสี่สิบปีขึ้นไปแล้วก็นัน่นแหละแก่ไปเรื่อยแก่แก่แก่แก่ไปเรื่อยผลที่สุดก็ถึงจุดจบทุกคนถึงจะอาหารดีที่อยู่อาศัยดีผ้านุ่งห่มดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีแต่ถึงที่สุดก็ เพียงตว่ายืดยาวยาวกว่าที่มันไม่ดีแต่ว่าถึงยังไงก็งต้องถึงจุดจบเหมือนกันนี่แหละเราให้เลี้ยงพอประมาณเลี้ยงร่างกายให้เลี้ยงพอประมาณแต่ในพรรษานี้หลวงพ่อย้ำแล้วย้าอีกพวกคณะสัตายาญาติโยมที่มาวันนี้ก็คงไม่ได้มาเมื่อวานนี้พวกเมื่อวานมาเมื่อวานนี้ก็คงจะได้ยินหลวงพ่อบอกกล่าวอย่างไร แต่วันนี้พวกคณัชจัาาตตาราดโยมาวันนี้คงไม่ได้ยินนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงขอย้ําอีกว่าในพรรษานี้พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรพรรษาปี2555นะันห้ยเน่ยหลวงพ่อจะให้พวกเราพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ควรจะเข้มงวดควรจะตั้งอกตั้งใจ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปพวกเราตั้งอยู่ในความประมาท ม, มากแล้วอายุของเราเท่าไหร่แล้วเหลืออีกไปข้างหน้าเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะประเมินอายุของเราได้ไม่มีใครที่จะรู้ว่าอายุของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอหลบอย่างอื่นเรายังหลบได้นะอ่ หลบพายุหลบดินฟ้าอากาศหลบสีนามิอยู่ปลบแผ่นดินไหวเรายังหลบได้แต่หลบมรณ ะ, ะภัยคือความตายไม่รู้จะหลบไปทางไหนไม่รู้มันจะมาเมื่ อ, อไรไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนนี่แหละสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงสอนไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะพวกเราคาว่าตั้งอยู่ในความประมาทคืออะไรคือไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจ พอถึงข่าวจุดจบก็ไปตามเรื่องราวที่มันจะถึงมาถึงแต่ตามไม่จริงพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามรณะภัยต้องมาถึงเราแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉนั้นเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรนี่แหละคาว่าเตรียมใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุเ์เธอลาลึกถึงความตายวรนละกี่ครั้งพระอา น, นุ์ก็บอกว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าอา น, นุ์ เธ อ, อยังประมาทอยู่นะล้ำลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งนี่เธรรอยังประมาทอยู่ควรจะล้ำลึกถึงความตายทุ ก, ทกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายเพราะฉนั้นท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทล้ำลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอคนที่ล้ำลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ประมาทสิ่งไหนควรจะ เก็บหอมลอมริสิ่งไหนควรจะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนควรจะพัฒนาตนอย่างไรเขาจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าเขาไม่ได้ระลึกถึงความตายเสเลยเขาจะตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าชีวิตของเขาจะยืนยาวแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะเพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนพร้อมที่จะไปได้ทุกวลเวลา บางทีนั่งรถไปดีๆเนี่ยรถเฉียวรถชนอะไรมีตั้งเยอะแยะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นขนาด น, นั่งเครื่องบินไปยังเครื่องบินยังตกได้เนี่ยนี่แหละชีวิตของพวกเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้เมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาททีนี้ในพรรษานี้พวกเราควรจะทําตนอย่างไรก่อนหลับนอนก่อนหลับ พวกเราควรจะไหว้พระก่อนทำวัดเย็นซะก่อนอรหังสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้า เ, เราจะไปทําการงานก็ไหว้พระซะก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยไปทํางานในพรรษานี้เราจะทําอย่างนี้ตลอดไตรมาสสมเดือนได้ไหมเพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เเป็นสาธาะเป็นที่พึ่ง เราจะไม่ทำวัดเชตเลยทั้งเช้าทั้งเย็น เ, เรามีแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธนับถือพุทธแต่ว่าเราไม่เคยกราบไหว้พระเลยมีแต่พุทธอยู่ในบัตรประชาชนเท่านั้นน่ะมันไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านก่อนหลับนอนก่อนหลับก่อนนอนกือนอนเราควรจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันไม่ให้ขาดในปรรษานี้ทดลองดูได้ไหม แล้วก็เราจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดได้ไหมพระบิณฑบาตรผ่านหน้าบ้านเพราะเราเป็นพุทธบริษัทอย่างน้อยก็ได้ทําบุญตักบาตรครั้งหนึ่งตระ ก, กูลของเราบ้านของเราครอบครัวของเราพอเราพระสงฆ์ก็คือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเมื่อพระสงฆ์บิณฑบาตรเราก็ใส่บาตรทุก อ, อาทิตย์ละครั้งได้ไหมอันนี้ก็คือการทําบุญแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีเวลา อย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำว่าพวกเราไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาหลวงปู่หลวงตาองค์ไหนที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนเลื่อมใสเราเลื่อมใสเราก็หยอดกระปุกก็ได้ตอนเช้าเออวันนี้เราจะทําบุญวันเกิดของเราเราทําบุญวันเกิดให้พ่อบ้านวันนี้ทําบุญให้เกิดแม่บ้านวันไหนวันเกิดลูกวันไหนแล้วก็เราจะใส่บาตรทุกวัน วันนี้เราจะใส่บาทอะไรใส่บาทกล้วยหอมกล้วยหอมใบละเท่าไรใบละสองบาทใ บ, ทบทละ5้าบาทก็ใส่ยอดกระปุกลงไปวันนีเ้เราจะทำบุญด้วยกล้วยเตี๋ยวถวายหลวงปู่หลวงตากล้วยเตี๋ยวชามหนึ่งทามละเท่าไรเอาใส่กระปุกลงไปนี่แหละพอถึงวันแล้วก็เออเอาไปถวายหลวงปู่ที่เรารักเคารพนับถือ ถวายหลวงปู่วัดโพธิสมพรบางทีเราคิดว่าจะทําบุญหรือถวายหลวงปู่ลีหรือถวายหลวงปู่บุญมีฮะเร า, าถวายหลวงปู่ไหนก็ได้แต่ข้อสังพันอย่าถวายหลวงพ่ออินกันแล้วกันเพราะหลวงพ่ออินแนะนำนะเออเอาถวายองค์อื่นนะเพราะฉนั้นนี่แหละการทําบุญถ้าเราทําด้วยความฉลาดเราก็มีโอกาสที่จะทําบุญได้ถ้าเราไม่ใส่ใจฉเฉลยเราก็ไม่ได้ทําบุญถ้าว่าเราทําบุญมีโอกาสที่จะทํา เพราะว่าวันไหนเราต้องการขนมหรือต้องการผลไม้เราก็รู้จักจะแล้วราคาเท่าไหร่แล้วก็ซอดจะปลูกลงไปพอถึงวันแล้วก็เออเอาไปถวายลบปู่ลงตาที่เราใส่บาตรท่านท่านเคยได้นำไปซื้ออาหารถวายพระถวายเนรถวายวัดของท่านเป็นขาดน้าข่าวไฟเกิดประโยชน์ทั้งนั้นละ่ะอันนี้ก็คือการทำบุญอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อเคยแนะนา หลวงตาท่านเคยพูดนะในเรื่องเหล่านี้นะคือการทําบุญถ้าเขาว่าเราพร้อมที่หรือว่าเราใส่ใจเราใส่ใจในเรื่องจะทําบุญเรามีโอกาสและก็พร้อมกันในพรรษานี้เราจะรักษาศีลห้าผู้ที่มีอายุหน่อยออที่ไม่ยุ่งเหงื่อบุ่นวายอะไรเราจะรักษาศีลห้าได้ไหมตลอดไตรมารส3มเดือน เราก็ไม่เห็นจะขัดข้องที่ตรงไหนถึงจะเป็นฆราวาสญาติโยมก็เถอะถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เถอะแล้วเราพร้อมที่จะรักษาสินห้าได้ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะเคารพในกฎกติกาสามีภรรยาลูกหลานทุกคนข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราอันนี้ก็คือศินห้าแล้ว ถ้ารั ก, รกษาศีลห้าได้ตลอดไตรมาสสามเดือนหลวงพ่อว่านั่นแหละคือคนดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าคนดีของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้ารับรองนี่คนผู้มีศีลห้าแล้วคนนั้นจะไม่ตกนรกอยู่ในชุมชนไหนชุมชนนั้นก็มีแต่ความผาสุกเพราะว่าเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคนที่มีศีลห้าถ้าคนขาดศีลห้าคนไม่มีศีลห้าแล้วไม่น่าไว้ใจ พร้อมที่จะทําความชั่วไดได้ทุกอย่างเพราะนั้นในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นคนดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมารส3าเดือนนี่แล้วก็ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถตลอดไตรมารส3มเดือนหรือจะรักษาอุโบสถทุกวันพระนี่เหล่านี้แหละแล้วก็ข้าพเจ้าจะงดสุรา ตลอดไตรมาสสามเดือนจะไม่แตะนะครับข้าพเจ้าจะงดอบายมุกทุกอย่างข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าในพรรษานี้ข้าพเจ้าห่างเหินจากพ่อแม่แต่พ่อแม่อยู่ใกล้็ไม่มีเวลาพอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปตีกอล์ฟซะไปกินเลี้ยงซะไปเที่ยวซะแต่ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะพาครอบครัวของข้าพเจ้า วันเสาร์ไปกราบพ่อตาแม่ยายพร้อมกับลกูกพอวันอาทิตย์พาลูกพาแม่บ้านไปกราบพ่อปู่แม่ยา่าทุกวันอาทิตย์เรียกว่ากลางเดือนอาทิตย์ที่สองของเดือนก็สุดแทะแต่ล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลทั้งนั้นเพราะตกหน้าแรงมาเราก็ไปเที่ยวไปที่อื่นซะแต่ในพรรษาในข้าพเจ้าจะพยายามไปพบคารวะพ่อแม่ของเรา เพื่อจะได้ถามไทยสารถุกสุกดิบทั้งพ่อตาแม่ยายทั้งพ่อของเราแม่ของเราด้วยเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลําบากอย่างพวกเราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยถ้าพวกเราทําดีกับพ่อกับแม่ของเราลูกของเราก็เป็นถือเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะถือพ่อแม่ของเราเป็นตัวอย่างพอเท่าแก่ชลาพ่อแม่มีอายุขึ้นมาลูกของเราก่อนนี่แหละ พาครอบครัวของเรามากราบพ่อกราบแม่มาคารวะถามไทยว่าสารถุกสุขดิบอย่างไรถ้าพวกเราหวานพืชเอาไว้นะพวกเขาทําทความดีเอาไว้ลูกหลานของเราก็จะเดินตามเราถ้าเราไม่ได้สนใจพ่อสนใจแม่มีแต่เที่ยวจำมะเลเทเมากินเหล้าเมายาไปตีก๊อปไปเลยไม่ได้สนใจปู่ย่าตายายผลที่สุดลูกหลานของเขากับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตกันนะั่นกระยึดตามแนวแถวของเรานั่นแหละ เราอย่าโวยนะถึงนี่เราอย่าไปโวยวายพเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เคยทำให้เขาดูเราไม่เคยทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูในเมื่อเราทำตัวอย่างให้เขาดูเขาก็จะดูตัวอย่างของเราจากนั้นเขาก็จะดเดินตามแนวแถวพ่อแม่พาดำเนินนะพนั้เสียงเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับคณะัตธายาตโยมลูกหลานทุกๆคนวันนี้พวกเราได้มาแล้วนี่พระพุทธลูก ของหลวงพอ่อนี่พระพุทธอุดมพระพุทธอุดมมงคลคือวัดป่านาคําน้อยของเราเนี่ตั้งชื่อหลวงตามหาบัวไนดะ้ตั้งชื่อให้ว่าวัดป่าอุดมมงคลวนารามหลวงตามหาบัวตั้งชื่อให้ตั้งแต่ชื่อที่แรกแต่พอหลวงพ่อไปขึ้นทะเบียนจ ร, จริงๆเขาไม่ให้ทเขาเลยตั้งชื่อว่าวัดนาคําน้อยหลวงพอ่อเอานาคําน้อยกับนาคําน้อยแต่ตามไม่จริงหลวงตาตั้งชื่อให้นั้นวัด ปาอุดมมงคลวนารามเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อเนี่ยที่นั่งเป็นประธานเนี่ยพระพุทธอุดมมงคลนะเพราะฉนั้นคณะสัตธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนจะตั้งจิตอธิษฐานเข้าพรรษากับหลวงพ่อก็ได้นะเนี่ยไปก่อนที่จะกลับบ้านก็นตั้งจิตอธิษฐานในใจเออข้าพเจ้าพระพุทธอุดมมงคลข้าพเจ้าจะงดบุหรี่นะ้ในพรรษานี่เออ เอาพระพุทธอุดมมงคลเป็นสักขีพยานข้าพเจ้าจะงดเล่าตลอดไตรมาสสามเดือนเออเอาพระพุทธ ม, มงคลเออเป็นสักขีพยานนี่แหละข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าข้าพเจ้าจะรักษาสิอุโบสดตั้งจิตอธิษฐานต่อพระต่อหน้าหรือต่อพระพักพระพุทธเจ้าพระอุดรมมงคลวานารามเป็นสักขีพยานในเมื่อเราออกพรรษาแล้ว เราก็มาขอพรเออข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธอรมม์มงคลแต่บัดนี้ข้าพเจ้าได้ทําสําเร็จแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานนั้นขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนชีวิตของข้าพเจ้าให้เจริญยิ่งด้วยอายุวัฒณะสุขภ า, าละเราจะปรารถนาอะไรเนี่ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาได้ไม่ใช่ว่า ไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรมิตรขอพรตลอดเนะตัวเองไม่ได้ทําคุณงามความดีจะขอพรอได้ยังไงเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ทาคุณงามความดีในเมื่อเราทําความดีแล้วเราจึงขอพร น, นะอันนี้คือความถูกต้องอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้เนะี่ยก่อนที่พระสาวกจะได้บุญกุศลท่านก็ไปใส่บาตรพระปัิเจก่อน พอใส่บาตรพระปฏิเจรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างพระอนุรธธนะุทธะเน่ยข้าพระเจ้าในยากจนในพบในชาตินี้เกี่ยวหญ้ามาขายเลี้ยงชีพแต่ละวันเกือบจะไม่เพียงพอตื่นเช้ามาออกไปแต่เช้ามืดไปเกี่ยวหญ้าพอได้มาแล้วก็มาทำเป็นแผ่นเป็นพัยแล้วก็ขายในราคาท้องตลาดราคาก็ถูกมากยังชีพด้วยความทุกข์ยากลาบากเหลือเกิน แตบัดนี้ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรพระปเจกพุทธเจ้าด้วยบุญด้วยอนิสงฆ์ทั้งหลายทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญได้ใส่บาตรในวันนี้ถ้าหากข้าพเจ้ามีพบมีชาติเกิดในภพใดชาติใดต่อไปในอนาคตคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินตลอดไปจนถึงข้าพเจ้าพ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานแล้วด้วยเทินฮะแปลว่า ปาถนาอย่างรวบรัดเลยขำว่าต้องการข้าพเจ้าอยากจะได้รถเบนซ์ไม่ได้เอ่ยแปลว่าได้ข้าพเจ้าจะได้อสิ่งไหนอที่มันอยู่ในพิสัยที่จะได้ข้าพเจ้าอยากจะได้เครื่องนี้ไม่มีไม่ได้ต้องมีนี่แหละแปลว่าปาถนาของพระ อ, อนุรุทธะนี่แปลว่าครอบจั ก, กรวาลเลยเพราะนั้นท่านจึงบุญกุศลที่ท่านได้ก็คือนี่แหละ คือท่านใส่บาตรพระประเจกพระติจ้าจากนั้นก็ทั้งจิตอธิษฐานนำบุญกุศลนั้นพระประเจร ก, ก็มองน่อมองดูมองด้วยอนาคตังสยามของพระประเจรพระติจ้าท่านมองเป็นยังไงความปรารถนาของเขาจะสําเร็จไหมเนี่ยที่เขาตั้งความปรารถนาอย่างนี้ท่านก็มองดู พ, พ, พ, พ, พโอ้ใช่สําเร็จพระประเจรพระติจ้าท่านก็ให้พรน่ยเนี่ยเอวังโหตุเอวังโหตุ ขอความปรารถนาของเจ้าจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเทินแปลว่าประทับตาอะไรงเ้ยนะ ป, ประทับปาตึงเลยแปลว่าความปรารถนานั้นสําเร็จด้วยพุทธานุภาพของพระเปโจริจ พ, พุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเราคณะสัตยาจอมผู้ที่ติดจุราติดบุรีเรือวัดสัมมาเลเทเมาเหื่องการพนองการพนัน ที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวาย เ, าเที่ยวไม่จับเวทไม่รู้จักเวล่ำเวลาอย่างเนี้ย่ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานาแต่หลัจากนั้นก็ปฏิบัติตนด้วยสัจจะอธิษฐานจริงๆคอจำเป็นจะไปโกหกพระพุทธรูปหลวงพ่อก็แล้วกันนะออจะไปโกหกพระพุทธอุดรมมงคลไม่ได้นะบาปนะถ้าตั้งจิตอธิษฐานต้องแนว่วแน่จริงๆนะาจากนั้น ความปรารถนาของเราค่อจะสำเร็จแล้วก็บุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้ดีแล้วนั้นพวกเราจะเจริญงอกงามจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะภาละในพรรษานี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรามีความสัตย์จริงกับตนเองอย่าไปทำหลอหลอเลยแหละเพราะชีวิตของพวกเราทำหลอลอเลยแะมานานต่อนานแล้วแต่ปีนี้ในพรรษานี้สามเดือนนี้เราจะทำคุณงามความดีไม่ได้เหรอ เราจะงดสิ่งที่เราเที่มันเสียหายที่เรามองดูแล้วไม่ถูกต้องไม่ได้เหลอเราควรจะมีความสั์จริงกับตนเองในพรรษานี้สามเดือนเนี่ยนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้มีสัจจะอธิษฐานในครั้งพุทธกาลเนเ่พระเถระที่บวชเข้ามาพอบวชเข้ามาเข้ามาแล้วเ อ, อในพรรษานี้เราจะเอาอะไร อย่างพระจักคูบาลนะพระเทเรซิว่าจักคูบาลนะในพรรษานี่เราจะเอาอะไรเราจะเล่งความเพียรขนาดไหนเอาเถอะข้าพเจ้านอนอยู่ในวัตฏสงสารนอนไปแล้วเป็นโลกะกีพบกี่ชาติมาพับพบในี้ฉนีก้ก็กินก็นอนกินก็นอนในพรรษานี่ข้าพเจ้าจะไม่นอนตลอดไตรมารสสมเดือนเราจะเอาอริยบทสามคือยืนเดินนั่งเท่านั้น จะไม่นอนเอนกายโดยเด็ดขาดเออเราจะภาวนาเท่านั้นเราจะเอาอริยบทสพระจักขุบาลท่ากันี่แหละยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งตลอดไตรมาสสมเดือนพอวันออกพรรษาท่านก็มีกรรมเก่าแล้วก็ตาของท่านก็บอดแล้วก็ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันออกพรรษาพอดีท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหั น, ออนต์งั้นท่านก็ไม่เสียได้ตา แต่ถ้ามันแตกไปแต่ใจของเรากิเลสอวิชชานะมันแตกออกจากใจเป็นพระหันแล้วกับพอแล้วพอใจอย่างมากแต่ตามันจะแตกก็แตกไปเถอะนะอันนี้ก็คือพระจักกูบาลท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันนะข้าพเจ้าจะเอาอาริยาบทสคือยืนเดินนั่งจะไม่นอนโดยเด็ดขาด น, ะนี่แหละขนาดนั้นท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานปีพระเถระหลายองค์ที่มีที่ตั้งจิตอธิษฐาน จะสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าตลอดถึงพระสงฆ์ด้วยก็ให้มีสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าจะเดินยกรมเวลาเท่าไหร่เราจะข้าพเจ้าจะนั่งเวลาเท่าไหร่สมัยหลวงพ่อเป็นเนนนะหลวงพ่อบวชเป็นเนนและมีวัดบ้านวัดบ้านประมาณสัก11บเอโมงหรือ11บเอโมงเอ้อยี่สเนี่ยเขาจะตีตีกลองเพลินตึงตึงตึง หลวงพ่อกระชันจังหารเนี่ยประมาณชั่กแปดโมงกันเสร็จแล้วอยู่กับหลวงปู่ล่านะแปดโมงชันจังหารเสร็จจากนั้นก็ขึ้นไปสงบาท่านพอสงบาท่านเสร็จแล้วก็เราก็ลงมาหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานในพรรษาข้าพเจ้าสัมมาเนนเนี่ยสัมมาเนนอินเนี่ยจะเดินจงกรมตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่สงบาดกลับมาแล้วจนถึงได้ยินเสียงกลองกลองเพนเมื่อไหร่จึงจะออกจากทางเดินจงกรม จากนั้นก็เดินจง ก, กรมเลยนะโอ้บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะอพอได้ยินเสียงกรองนะตึงๆงนะคะออกแต่บางทีมันก็จะให้ตีกองเร็วๆเหมือนกันนะเพราะมันเหนื่อยนะแต่ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้แล้วตลอดไตรมาสสามเดือนนะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยทำมาแล้วคล้ายๆว่าต้องมีสัจจะกับตนเองแล้วก็ในพรรษานี้ข้พาพเจ้าจะท่องปฏิโมกให้ได้ ทองปฏิโมกให้ได้เพราะท่องแต่ยมันล้มเหลวทุกทีท่องเทอมันล้มเหลวโอ้โหมันท่องยากมากท่องปฏิโมกแต่ผลที่ส่วนกระบอกข้าพระเจ้าจะท่องปาติโมกให้ได้วันละสาบรรทัดบรรทัดสั้นๆแตเจไดก็เอาท่องเลยเจอย่าจะไม่ได้แล้วันละสามบรรทัดผลี่สุดบางวันก็ได้เป็นสีห้าหน้าเหมือนกันนะเพราะมันซ้ํำๆกันและมันก็ท่องง่ายจําำง่ายก็ท่องท่องไปทั้งที่พระปฏิโมกตัวขอนมี่จะล้มเหลวล้มเหลว แต่พอมาปีนั้นตั้งจิตเอาจริงจริงจังๆเพียงเดือนครึ่งทนเองนะปฏิโมกหลวงพ่ อ, อนี่จบเลยแต่สมัยเป็นเนนอายุ17ปีนี่นี่แหละอันนี้คือถ้าเราจริงจังและตั้งใจสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือวิสัยนี่ว่าอิทธิบาทเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะคือความพอใจวิริยะมีความเพีย จิตตะเอาใจฝักใฝ่วิมังสาการกรองไตรตองเหตุและผลที่เราจะต้องทำํำการกรองดูทีว่าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นใช่ไหมที่เราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ย เ, เราไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นใช่ไหมวิริยะเราเพียนเพื่อจะหาทางพ้นทุกขหนีจากความชั่วใช่ไหมจิตตะเราก็พยายามหาหนทางจะไม่ทําความเสียหายกับตนเองและชวนรวม กับใครผู้อื่นใช่ไหมนี่แหละถ้าว่าพวกเรามีอิทธิบาทเครื่องให้สําเร็จความประสงสีสันฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาความปรารถนานั้นก็จะสําเร็จสมความมุ่งมา่ปานาปรารถนาเพราะนั้นขอให้คณะสัตย า, าญาติโยมโลูกหลานทุกคนเนในพรรษาเนี่หลวงพ่อขอบิณฑบาตแล้ขอเตือนเรื่องอบายจำมกนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุราทางงดได้กับบุรีดีที่สุดนะ เพราะบุหรีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากถ้าพวกเราเข้าไปศึกษาไปหาหมอเขาจะบอกให้ฟังว่าบุหรีเป็นอันตรายขนาดไหนสุราก็เหมือนกันถ้าว่าผี่น้องใครก็ตามลูกหลานผู้ใดก็ตามพ่อแม่ใครก็ตามดื่มชุราไม่เป็นที่สบายใจของวงสาคณะญาตินะถึงเขาจะไม่พูดต่อหน้าเพราะเขาเกรงใจลูกน้องเขาเกรงใจแต่ข้างในเขาลังเขาขบพูดชิบๆๆๆๆิบช โอ้ลูกพี่ของเราเนี่ยอดื่มโซลานเหมือนกับก อ, อกหนูเลยเหมือนกับก อ, อกลูกหนูเลยเขาก็จะว่ายอย่างงั้นอีกทีนี้่อกินเหล้าขึ้นมาแล้วก็สั่งกุ้งสั่งการสั่งงานอะไรเราจะไปฟังได้อย่างไรคนคี้เหล้ามาสั่งงานใครว่าอีกเนี่แหละคล้ายๆกับคาให้ลูกน้องพวกเกี่ยวข้องของเราอึดอัดไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้มองตนเองสรุปแล้วให้มองตนเองนะคณะทายาทโยมลูกหลานนะเดีย๋ยววันนี้ก็ หลวงพ่อได้กล่าวแนะแนวให้แก่พวกคณะจทธายาตยมลูกหลานทุกคนเห็นยวาับสงควรกับการเวลาอัตตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรในทันีน้า